พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาสุทัศนสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้ามหาสุทสาากกัศนจักรพรรดิพระสูตรนี้เท่ากับเป็นการขยายความในมหาปรินิพานาสูตรตอนที่ตรัสต่อพระอานนท์เรื่องกรุงกุศินาราเคยเป็นราชธานีนามว่ากุสาวรตีซึ่งพระเจ้ามหาสุทสาากกัศนจักรพรรดิทรงปกครองพระผู้มีพระภาค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 ชื่อว่าลาหก 4. แก้วมณีเป็นแก้วไพยทูล 5. นางแก้วรูปร่างงดงามมีสัมผัสนิ่มนวล 6. คขุนคลังแก้วหรือขหาปฏิรัตนะช่วยจัดการทรัพย์สินอย่างดีเลิศ 7. จขุนพลแก้วหรือปรินายกรัตนะบัณฑิตผู้สั่งสอนแนะนำ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 รังพร้อมสมบูรณ์ด้วยสมบัตินานาประการแม้จะมีนครอยู่ในปกครองมากหลายก็อยู่ครอบครองได้เพียงนครเดียวคือนครกุสาวตีแม้จะมีปราสาทมากหลายแต่ก็อยู่ครอบครองได้เพียงปราสาทเดียวคือธรรมปราสาทแม้จะมีเรือนยอดมากหลายแต่ก็อยู่ครอบครองได้เพียงหลังเดียวคือเรือนยอดชื่อมหาวิยูหะ แม้จะมีบัลลังมากลายแต่ก็ได้ใช้คราวละเพียงบัลลังเดียวแม้มีช้างมากลายแต่ก็ขึ้นขี่ได้เพียงคราวละตัวเดียวคือพญาช้างอุโบสถแม้จะมีม้ามากลายแต่ก็ขึ้นขี่ได้เพียงคราวละตัวเดียวคือพยาม้มาวลาหกแม้จะมีรถมากลายแต่ก็ขึ้นสู่ได้เพียงคราวละคันเดียวคือรถเวชยัน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 ใช้เป็นสำนวนสำหรับหมายความว่ามาก